ได้นะดูสิกระดิกหางดิ๊กดิกวิ่งมาหาเชียไม่ต้องเลยซื้อของมาฝากตั้เยอะตั้งแยะทำเป็นไม่รู้จักไม่ห้กินแล้วเดี๋ยวไปให้ไอ้อ้วนมาข้างบ้านกินดีกว่าพอแล้วไม่ต้องยกเท้าตะกุยหรอกแน่ไม่ฝังอีกนะก็ได้ก็ได้เดี๋ยวหยิบของให้กินก็ได้อ่านี่ได้แล้วกระดูกสุเนเด็จรูปอ่ะเอาไปกินเท่านี้แหละ พอได้กระดูกล้วก็เลิกสนใจ ใ, ใครๆอีกแล้ววิ่งไปกัดกระดูกตรงบันไดหน้าบ้านซะละดูสิอืมแปอมเภอมาไปไงบ้างละ่ะสวัสดีค่ะพ่ออืมสวัส ด, ดีเอ้งแปมเพอมาว่าอย่างไงบ้างอืมว่าไงอะไรเหรอคะอ้าวก็เอ้งเข้าไปอำเภอทําอะไรหลังก็ไปฟังผลการสอบเป็นจุดตําแหน่งเขาทางานอ่าค่ะพ่ออืมนั่นแหละแล้วเป็นยังไงบ้างคนสอบเป็นเยอะแยะมากเลย ไม่ใช่แต่คนในอำเภอนี้เท่านั้นนะจ๊ะพ่อยังมีต่างอำเภอที่เป็นคนในจังหวัดเดียวกันมาแข่งกันอีกแนะ่แต่เขาให้สิทธิ์คนในพื้นที่ก่อนไม่ใช่เหรอก็ใช่ค่ะแต่ว่าคนในพื้นที่ก็ต้องให้ได้คะแนนที่เขากำหนดด้วยนะคะไม่ใช่เป็นคนในพื้นที่แล้วแต่ได้คะแนนไม่ได้มาตรฐานที่เขากำหนดเขาก็จําเป็นต้องเอาคนนอกพื้นที่ซึ่งเขาคิดว่าน่าจะมีศักยภาพมากกว่านะคะไอ้ศักยภาพอะไรของเองเนี่ยฟังแล้วมันไม่รู้เรื่อง มันคืออะไรกันแน่ลนะ่ะโอพ่อจา๋าก็แปลได้ว่ามีความรู้ความสามารถที่มากพอที่จะพัฒนาพื้นที่ให้ดีขึ้นขึ้นไปอะค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองอะสำหรับฝน น, นะนะคิดแล้วก็เหนื่อยใจเฮ้ อ, อเอ อ, อเอ็งถอนใจเหือกๆหือกหมายความว่าเอ็งสอบไม่ติดเหรอหนางฝนก็คือว่ามไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจ ไปสอบเป็นข้าราชการสำนักงานนื่นอื่นก็ได้ไม่ได้ด้านการเกษตรก็ไม่เป็นไรหรอกนะอายุเองอยังน้อยเพิ่งจบปัญญามาใหม่ใหม่ไม่ต้องกลัวว่าจะสอบที่อื่นไม่ติดไม่ติดก็สมัครสอบไปทุกที่แด้แล้วราชการกระทรวงธงวงกลมไหนรับสมัครสอบสมัครสอบไปหมดเลยเองเฮ้อเอ็เองหัวเราะขำ อ, อะไรนางฝนเหรอเอานี่ เองเป็นบ้าไปแล้วยังไง<ม>โธ่พ่อทํ า, าทไมพ่อคิดว่าฝนสอบไม่ติดเหรอเอา้าก็เองหมอกไม่ใช่เหรอสอบไม่ติดนะเฮอฝนบอกตอนไหนเลยจะ๊ะอืมฝนยังไม่ได้บอกพ่อสักหน่อยฝนก็เพียงแค่อ่ำอ่ำอึ้งอึงไปเท่านั้นเองเอา้าแล้วไอ้ดีเองอ่ำอ่ำอึ้งอึ้ น, น่ะมันไม่ได้หมายความว่าเองกําลังเสียใจจนพูดไม่ออกหรอกเหรอพ่อเข้าใจผิดแล้วล่ะเข้าใจผิดยังไง ก็แล้วทําไมละจ๊ะคนน้ำอ่ำอึ้งอึ้งอ่ะจะต้องคิดว่าเขาเสียใจจนพูดอะไรไม่ออกด้วยละ่ะทาไมถึงคิดว่าคนน้ําอําอึ้งอึเพราะดีใจจนพูดไม่ออกบ้างเลยจ๊ะพ่อออเอ็งนี่ควรจริงๆเลยเออหนิตกลงเอ็งสอบติดใช่ไหมนางฝนใช่แล้วจ๊ะพ่อเออแล้วอยู่หน่วยงานไหนล่ะการเกษตรอืมฝนจบกเกษตรมามก็ต้องอยู่ทางด้านกา ร, กรเกษตรสิจ๊ะแต่ว่าอยู่ในศูนย์วิจัยนะจ๊ะพ่อ แสดงว่าอำเภอของเราน่ะมีศูนย์วิจัยการเกษตรอยู่เหมือนกันจ้าแต่ว่าเป็นศูนย์วิจัยย่อยนะจ๊ะเออดีใจดูนะเองอุตซาเร่มเรียนมานานในที่สุดเองก็สมหวังจนได้เฮแต่สมหวังด้านการเรียนเท่านั้นนะจ๊ะพ่ อ, อแต่เรื่องงานยังต้องเข้าไปเรียนรู้อีกเยอะความรู้ที่เรียนมาก็เป็นแค่พืนพ้นฐานของการทํางานเท่านั้นเองเพออยู่ในสนามของการทํางานเนี่ยมันไม่เหมือนที่เรียนมานะจ๊ะ เพราะว่าเราจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีเพื่อให้เข้ากับสถานที่แล้วก็อื่นๆ อ, อ, อีกตั้งเยอะซึ่งฝนน่ยพูดไม่จบหรอกเพราะว่ายังไม่ได้ไปสัมผัสงานเลยไม่รู้ว่าต้องปรับเปลี่ยนอะไรอีกนะเจ้าพ่ออืมก็ดีลูกสาวข้าน่ะได้เป็นข้าราชการแล้วงานเนี้ยฝนทาเพื่ออําเภอของเราเนี่เจ้าพ่อเออข้ารู้ขอให้เองน่ะจำเรื่อจำเลิศนะลงนุงฝนขอบคุณครัพ่อ จะได้เริ่มงานมารหลายหล่ะต้นเดือนหน้านี้จ้ะ อ, อ๋อพ่อจ้ะฝนมีเรื่องอยากจะปรึกษาพ่อเนี่ยจ้ะอะไรเหร อ, อืมเกิดว่ามีใครคนหนึ่งมาบอกว่าชอบพ่อแล้วก็คบกันมามติดต่อกันได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วระยะหลังเนี้ยติดต่อเขาไม่ได้เลยแต่ว่าคําพูดที่เขาพูดเอาไว้นั่นนะ่ะมันจริงจังมากอ ม, มากซสจนพ่อไม่กล้าที่จะเปิดใจให้ใครอีกเลยกลัวว่าสักวันหนึ่งเขาจะกลับมาหาพ่อ แล้วขอพอ่อแต่งงา น, นอ่ะแล้วอย่างเนี้ยพ่อว่าควรจะทํายังไงดีละจ้ะพ่อนางฝนจ๋าเอ้งทําไมต้องเปรียบตัวคาด้วยล่ะาก็สมมติว่าเป็นพ่อไงคนที่เอ้งพูดถึงก็คือตัวของเอง้งเองใช่ไหมเหรอเออคือว่าไอ้ยิ่งใช่ไหมเอ๊ะคือพ่อเองจะบ้าหรือไงานางฝน<ๆ>มันเงียบหายไปหลายปีขนาดหวนมาเจอกันใหม่ๆ ใ, ในมหาวิทยาลัยแท้ ให้วันที่มันรับปริญญาบัตรน่ะเองก็ไปแสดงความยินดีด้วยแทๆ้ๆแต่พอมันรับปริญญาแล้วมันก็หายหัวไปเลยแม้แต่เงาหัวของมันเองก็ไม่เคยได้เจอรู้แต่ว่ามันโดนไล่ออกจากบ้านพ้นตำรวจเอกอะไรนะ่ะข้อหาลวนลามทางเพศกับเมียใหม่ของผู้มีพระคุณนี่ขนาดเองกับนางสาวไปหามื่ที่โรงพักก็ไม่เจอเลยมันออกจากโรงพักไปแล้ว มันเลิกติดต่อเองไปโดยสิ้นเชิงแล้วแล้วอย่างนี้เอ็งจะมานั่งฝันล่มล้มแห ล, ล, ง, ล, ง, ลงกับคําพูดนาดีกของมันทําไมกันหึมันเป็นแค่ลมปากของผู้ชายสับปรับคนนึงเท่านั้นเองและน้องฝนเอ้ยแต่ว่าพ่อจะ้ะข้ารู้ว่าเอ็งน่ะรักมันมากแค่ไหนแต่ว่าถ้าความรักทั้งนี้ของเอ็งทําให้เอ็งไม่มีความสุขเลยมีแต่ความห่วงหาอาทรไม่รู้ว่าคนที่ตอนรักอยู่ที่ไหน ทั้งๆ ท, ที่รู้ว่าน่าจะอยู่เมืองไทยแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะเกิดวันดีคืนดีเอ็งเห็นมันควงแขนเมียแล้วก็ลูกเดินเล่นใน ห, ห้างเอ็งน่ะไม่หัวใจสลายกองกับพื้นตรงนั้นเลยนางฝนพ่อจ๊ะพ่อฟังผลต่อก่อนสิเอาเ็งมีเหตุผลอะไรก็ว่ามาเลยฝนอ่านเจอในหนังสือพิมพ์นะเจ้าพ่อเจอไอ้ยิงเหรอจ้ะหมอนั่นน่ะ ไปสร้างวิริยะกรรมอะไรอีหล่ะฮะโถษพ่ออย่ามองพี่ยิ่งเป็นคนเลวอย่างนั้นสิจ้ะเขาไม่เคยทําความเลวเลยนะเขาน่าเป็นคนดีมาโดยตลอดเขายึดมั่นในคําสอนของพระเจ้าตลอดมาเหมือนอย่างเองใช่จ้ะต้องบอกว่าฝนนี่เหมือนพี่ยิ่งมากกว่าเพราะพี่ยิ่งนเป็นตัวอย่างที่ดีทําให้ฝนศรัทธาทั้งศรัทธาในตัวพี่ยิ่งที่เป็นคนปฏิบัติต่อคําสอนของพระเจ้าแล้วก็ศรัทธาในพระเจ้าด้วยนะจ๊ะแล้วไงหมอนั่นน่ะ ทำอะไรถึงได้ลงตามหน้าหนังสือพิมพ์ล่ะนะพ่อรู้แล้วอ่ะอย่าชอกตายซะก่อนละ่ะมาคุณยังข่าตาให้ยากมว้ยจริงเหรอจ๊ะจริงสิเอไหนว่ามาสิว่าหมอนั่นมันไปทำอะไรมาฮนะคือว่าพี่ยิ่งตออเนียได้รับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วล่ะจ๊ะเอ็งว่าไงนะนะ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 แม้ว่าบนเตียงจะไม่มีใครแต่ก็เหมือนมีเธอข้างก่ยกอดฉัน เ, าเบาๆเหมือนเคยเพียงได้กลิ่นหอมจากม้อนใบเดิมที่เราต่างเธอร่วมฝันแค่ได้กิถึงกันก็สุขใจ รักองความรักไเคจะจางหายไปไม่ว่าวันเวลามันจะนา่ากรก็มีเธอไม่รักใครกลิ่งความรักลรกลินขความรักมันยึงอยู่ในหัวใจวามยิกว่าน้ำขอ ฉันไม่คิดถึงเธอยังรักยังเป็นห่วงเธอไม่ว่าเธอจะอยู่ รตรงมีช่วงที่ดีแล้วร้ายอาจมีใครมากมายที่รู้สุดต่ว่ตอนที่เราทุกใจมองหันไปไม่เคยเจอใครมีเป็นสองเราเท่านี้แป่ดีที่ชีวิตคน พยายามดินรนคนหาเรื่อยไปกับอะไรที่เป็นของนองกายจะจะมีสักกี่คนเข้าใจว่าความรักนั้นไม่ต้องการอะไรมากกว่าใจกับใจที่ให้กัน้างที่คนรราเหมือนันลื ม, มไป ว่าอะไรจะมีความหมายและสังคัญอย่าลืมคำว่ารักคำนั้นอย่าลืความรู้สึกนั้นคำสังคัญนั้นมีค่าต้องเก็บไว้ให้ดี ก็จะมีสักกี่คนเข้าใจความรักนั้นไม่ต้องการอะไรมาวใจกับใจที่ให้ อ, อย่าลืมคำว่ารักอ น, นอย่าลืความรู้สึก i y e ความสำคัญนั้นมีค่ารักสาวไว้ให้ดียังคำว่ารักคำนั้นที่เคยบอกกันแลกกันทิงคคนวันได้เลยพาอย่ามองคำางสิมองคำบางอย่างอย่าลืมคำว่ารักคำนั้นลืมความรู้สึกนั้ น, ค, ค, น, น, ค, น, นคนสำคัญ เศ้าไว้ให้ดียัขงขำว่ารักคำนั้นจะเคยบอกกันแล้วกันที่จะดคือเวันไม่เลยผดูแลรักเราให้ดีให้อดหยา ที่ซ้ำซนเราสู้เราทนอยู่ข้างเคียงกันวันนี้เธออยู่ไกลฉันไม่รู้เธอเป็นอย่างไรใจฉันได้แต่คอยคิด เธอสุดทุกเพียงใดอยู่ตรงนั้นเธอลำบากไหมใจฉันยังเป็นของเธอคนที่เธอนื้อ เธอออนลาเสียใจและร้องไทยจะมีไม่ใครอยู่เป็นเพื่อนเธอทุกๆค่ำคืนก็ยังคงคิดถึงและหวังว่าเธอคงปลอด ติดตามรับฟังละครวิทยุรักอภัยนำเสนอโดยเนชั่นเอนเตอร์เทนเมนต์เออพ่อทำจานหล่นพื้นได้ยังไงอ่ะข่ข า, ขาหูเฟืนไปเองจะไม่นั่งฝนเหเห็นหมเห็นไหมฝนนึกแล้วเออชียว ว่พ่อจะต้องไม่เชื่อหูของตัวเองขนาดฝนเองนะจ๊ะเป็นคนอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นเองแทๆ้ๆฝนยังไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลยขยี้ตาแล้วขยี้ตาอีกแถมยังกระพริบตาถีๆก็แล้วแล้วก็แวะเข้าไปล้างหน้าล้างตาก็แล้วในที่สุดก็ยังคงเป็นชื่อของพี่ยิ่งอยู่ดีอ่ะนี่นางฝนจ๋าพ่อชื่อเหมือนกันนะ่ะมันก็มีเยอะนะเว้ยเอ็งดูนามสกุลทีต่อท้ายหรื อ, อย่างหละ่ะก็ดูแล้วดูอีก สกดพยัญชนะแล้วก็สกดอีกแต่ว่าก็ยังเปนามสกุลดีรศักนามสกุลของลูกยอดอยู่นั่นเองนะจ๊ะพ่อไอยอดนะมีลูกชายได้เป็นรัฐมนตรีเลยเหรอไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันอะไรกันนี้อีสานบ้านเฮากลายเปื้นเที่ยงขนาดนี้ยังได้เป็นรัฐมนตรีกับเขาด้วยเหรอเฮ้อมันสาควรจะดีใจวะ นี่ช่างเป็นข่าวดีแท้ๆชูนังฝนเอ้ยเฮ้ยไม่ได้กาแล้วเรื่องเนี้ต้องเอาไปบอกไอ้ยอดให้รู้แล้วจะได้จัดงานเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติให้กับอำเภอของเรายังไรละโว้ยเดีวเดี๋ยวเ ด, ว เ, ด, ว เ, ดวเดี๋ยวก่อนนะเจ้าพ่ออะไรเอ็งจะมาอะไรกับข้าอีกนางฝนยังบอกลุงยอดไม่ได้หรอกจ้ะอ้าวทําไมล่ะก็ลูกชายไอ้ยอดนะไอ้ดิบได้ดีให้ปิดปากเงียบไม่บอกมันเหรอแล้วเกิดวันหนึ่งมันรู้เรื่องนี้เขา มันจะมองหน้ากันติดได้อย่างไรล่ะเว้ยมันไม่เกี่ยวกับการมองหน้าติดหรือไม่ติดหรอกจ้าพ่อแล้วมันเกี่ยวกับอะไรล่ะฮะคือมันเกี่ยวกับว่าพี่ยิ่งเนี่ยยังไม่ใหญ่ทางบ้านรู้มันจะบ่าหรือไงเฮะจนป่านนี้แล้วอ่ะไม่ยังปิดบังอยู่ได้เฮ้ยไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโตแล้วเป็นคณะรัฐมนตรีใช่ไหมข้าพูดถูกต้องไหมนังฝนใช่จ้ะเป็นคณะรัฐบาลนั่นแหละอ้าวไม่ใช่คณะรัฐมนตรีหรอกเหรอก็ได้สิจ้ะ แต่ถ้าเป็นคณะรัฐบาลก็รวมหมดเลยจ้ะพ่อเออเออเออข้ามันโง่ไม่มีการศึกษาก็อย่างนี้แหละถึงได้บอกลูกบอกหลานยังไงละ่ะเออไอ้อ e ีลูกกลานหน้าไหนไม่ยอมเรียนหนังสือหูแต่ขี้เกียจสลังยาวเพราะตื่นมาพ่อแม่ไปโรงเรียนเอาแล้วเจ้าลูกรักลูกเฮงมีอันต้องสร้างละครฉากใหญ่แล้วอิดอดิอดอว่าปวดหัวบ้างละปวดท้องบ้างละ ปวดอะไรก็ได้ที่อ้างแล้วพ่อแม่หลงเชื่อแล้วไอ้พวกนี้มันก็ยอมกินจยาด้วยนะพ่อแม่เห็นว่าลูกปวดนู่นปวดนี่ก็เลยหยิบยาให้เหม็นกินมันก็กินหน้าตาเฉย ท, ทั้งที่มันน่ะไม่ได้ปวดอย่างที่มันพรามหรอกเอ็งคิดดูสิมันโง่ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วโตวขึ้นมันจะกลายเป็นอะไรล่ะมีตัวอย่างให้เห็นเยอะแยะไม่ต้องมองอื่นไกลหรอก เอาครอบครัวไอ้ยอดก็แล้วกันไอ้ลูกเมียเก่าของไอ้ยอดมอยูห้าคนทั้งห้าคนน่ะที่เกียดเรียนหนังสือเกเรไปวันวันงานน่ะถ้าไม่ตะคอกก็ไม่ไปทํากันแล้วเป็นไงเวลาเนี้พวกมันน่ะอายุปาเข้าไปเท่าไหร่แล้วล่ะสามสิบสี่สิบขึ้นแล้วยังต้องมาเกาะแกะไล่นาของพ่อมันซึ่งมอยู่แค่ไม่กี่ไร่เอง มันก็หากินได้เป็นวันๆทนนั้นเองแหละจะเหลือเก็บไปกินข้ามปนะีน่ะไม่มีวันทําได้หรอกแล้วเกิดว่าปีเนี้ฝนเกิดเทลงมาหรือไม่ก็แห้งแล้งสะจนทําการเกษตรไม่ได้พืชผลก็เฉาตายเพราะขาดน้ําหรือไม่ก็ไม่ออกลูกให้ได้กินไม่ต้องอดตายกันหมดหรือไงนี่แหละเขาว่าไม่ยอมเรียนหนังสือ ก็เลยไม่มีความรู้ไม่มีความคิดความอ่านที่กว้างไกลอย่างเองหรอกนะเฮ้ยอย่างไอ้ยิ่งเนี่ยหรืออย่างคนอื่นๆที่ตั้งใจเรียนหนังสือข้าถึงได้พ่มสอนลูกหลานนักหนาไม่อยากให้เอาเยี่ยงยางข้าถึงข้าจะมีไรนะเป็นสิบๆไร่ก็ตามทีเหอะว่าแต่งานของชาวกเกษตรกรน่ะไม่เป็นงานที่แสนเหน็ดเหนื่อยงานหนักแล้วยังไม่พอ แถมรายได้จากการทำกรเกษตรก็น้อยด้วยพอมีกินเป็นวันวันเท่านั้นเองแหละที่มีกินพอกินน่ะนะก็ต้องออหากินในไร่ในนาก่อนแหละถ้าว่าเอะอะก็พวักซื้อเขาก็ติดหนี้ติดสินท่วมกบาลแห่เลย ก็อยากจะสอนน่ะฝนรู้แล้วล่ะนะเออใครอยากจะพูดพูดเรื่องพี่ยิ่งแท้ๆดูสิไปไปมามาทาไมมันลงที่ความยากจนข้นแข้นก็มีรู้สิเนาะฟังแล้วเศร้าใจจังเลยก็ดูสายหลังของชาตดนะ่ะมันแสนเศร้านะนางฝน <ยา S 1> เจ้าพอเนี่ยรู้ไหมก็ดูสายหลังของชาตดนะกว่าจะผลิตเม็ดข้าวให้คนเด็กินนะ่ยนะมันก็ไม่ได้หมายความ เออหยาดเงื่อแรงกายท่านั้นนะโวยแล้วมันหมายถึงอะไรอีกล่ะจ้ะพ่อมันหมายถึงทุกหยาดหยดของเม็ดเลือดที่อยู่บนกระดูกสันหลังถ้ากระดูกสันหลังขาดเลือดหล่อเลี้ยงเอ่งลองคิดดูสิว่าคนไทยเนะ่ะจะมีข้าวกินไหมหืมฝนเข้าใจการเปรียบเทียบของพ่อแล้วล่ะจ้ะอืมดีมากแล้วเรื่องไอ้ยิ่งจะเอาอยัางไงฝนก็อยากให้พ่อเงียบไว้ก่อนดูไปอีกสักพักนึงสิว่าพี่ยิ่งเขาจะทําตามคำมั่นสัญญา ที่เขาเคยไว้ให้กับฝนบ้างหรือเปล่าวะสิถ้ามันไม่ทำตามละ่ะก็ก็อะไรเอ็งพูดไม่ออกใช่ไละ่ะพ่ออยากให้ฝนพูดออกมาจริงๆเหรอจ๊ะอืมพูดออกมาเลยไม่ต้องกลัวกล้าคิดก็ต้องกล้าพูดแล้วก็ต้องกล้าทำด้วยไม่งั้นน่ะก็ไม่ใช่ลูกหลานของหมู่บ้านเฮาแล้วก็ได้จ้ะพ่อฝนพูดก็ได้นะจ๊ะอืฝนจะบุกไปทวงคามั่นสัญญาจากพี่ยิ่ง ที่ทำเนียบรัฐบาลสิจ๊ะพ่อนนงฝ คุณได้รับข้อคิดอะไรบ้างจากละครที่จบไปนี้โปรดเขียนข้อคิดของท่านโดยทางไปรษณียบัตรดยจดหมายมาหาเราได้ที่ตุปน1สิเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์ห้ามทางเราจะจัดส่งหนังสือหรือซื้อยืดไปให้แก่ท่านขอบคุณสาหรับการติดตามรับฟังละครวิทยุรักอภัยท่านสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในวันเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้สาหรับวันนี้สวัสดีครับ